ข้าทั้งหลายตอนกลางย็นทมิตรและบรรดาพุทธบริบันที่่งอยู่ณสถานที่พุทธคัในวันนี้อาตมาเปิดเผป็นเกียรติที่ด้มีโอกาสมาแสดงธรรมสคาท่ากท่านทั้งพวงสถานอันตักในประเทศไทยแห่งนี้องคากกาว่าสถานอันมีเกียรติซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมในด้านแ่พุทธศาสนาโดย ท่านอาจารย์ติพุุเป็นผ้รนะาแสดงธรรมสถานในวันนี้ท่านก็รู้สึกว่ามีความหวยใจในการรู้อันต่ท่านที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานอันเมด้วยผู้ทรงวิทยาคุณแกระถานที่นี้เพราะฉะนั้นในวันนี้แตหากว่าขอมาสถาท่านมีอะไรกคล้อไปบ้างแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านอาจารย์สายอภิธรรมิกับงหลารโดงท่านทุกท่าผู้ทรวิทยาทุกท่านจะให้อภัยทันด องค์ปาร์ตก่าวว่าเมื่อกล่าวถึงพุทธศาสนาแล้วเราก็ตระหนักถึงความสุขุมคำภีรภาพกว้างขวางในธรรมะของพระบรมศาสดาเป็นอย่างยิ่เพราะฉะนั้นในการศึกษาพุทธศาสนาเราก็จําเป็นที่จะต้องเข้าถึงแก่นสารหรือสาระสําคัญที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งปวงนั้นเพราะฉะนั้นฐานะชาวพุทธที่ศึกษาจริงๆจะเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนา และแก่นอันนี้ก็คปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตนีเององปุปปาตตาว่าในประเด็นที่ปัญหาเกี่ยวกับจิตนี่เราก็จะเห็นจำแรกความแตกต่างในคุณของจิตในระหว่างองค์สัมมาสัมพุทธเจา้าพรอรหันต์ตาวกและบุคคลอย่างพวกเราเัาทุกคอะไรที่เป็นเหตุให้คุณธรรมของจิตนี่แตกต่างกันในบรรดาภาริยบุคคลกับกบุบุคลมีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตบุคคลบุุคลเ่าอุปปาตตะว่า ข้อที่จำแนกแตกต่างไปก็คือว่าสิ่งที่มาสัมพันธิกรริกเราคือกิเลสตนเองเป็นการแบ่งแยกถ้าอริยะบุพโยธหนึ่งเป็นผู้ที่หมดจบจากกิเลสส่วนผู้บุคคนนั้นยังเป็นผู้ที่คุกเข้ากับกิเลสปัญหาอยู่แ่าจะเป็นภาพรู้หรือเป็นจิตด้่ยกันก็จริงแต่ข้อจำแนกแตกต่างทั้งคุมกันก็ได้แก่กิเลสกับไม่มีกิเลสที่เองเพราะฉะนั้นชาวพุทธที่เป็นนักปฏิบัติและนักศึกษาจึงต้องพยายามทำความเข้าใจขปัญหาเรื่องของจิตใจแตกอันนี้เป็นจิต ลักษณะสำคัญของชาวพิษทั่วไปท่านบอกว่าพุทธศาสนากับศาสนาอื่นและประัชญาแขนงอื่นแตกต่างกันข้อสำคัญก็อยู่ที่ว่าภายในศาสาา น, าานาและปรัชญาลักษณะต่างๆภ า, า, ายนอกนั้นล้วนแตกให้ปัญหาออกจากตัวคือเพื่อมาเอาไปขุดปัญหาข้างนอกของตัวพยายามที่จะหาความสุดจากภายนอกไม่ได้เพ่งมาข้างในคือใจของตัวเองส่วนพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สอนให้ให้ตรวจดูจิตของตัวเอง พิจารณาตัวทุกตัวเองจะแก้ปัญหาต่างๆเขาแก้จากภายในตัวเองออกไปไม่ใช่ไปแก้กปัญหาภายนอกเข้ามาอันนี้เป็นข้อแตกต่างเขาปรึกษาปัญหากับพัชิีปรึกาปัญหาปัจจัเพร า, าะฉะนั้นพระธรรมสัพพิทเจ้าถึงสอนสาวกให้พิจารณาตัวเองเราพิจารณาใจของตัวเองว่าใจตัวเองนั้นอ่ะอยู่ในปุ่มทําอะไรเมื่อเราสามารถชนะจิตของเราได้สองเท่แล้วปัญ ป, ปัญหาชีวิตต่างๆเราก็จะสามารถเห็นใหญ่ๆชัดและแก้จิดไปด้วย ในการบริสุทธิ์ใจอริยภูมิก็จะไปไหนเสียเราก็สามารถที่จะไรรลุได้ตามคุณธรริเพราะฉะนั้นผูุ้กข์นะที่แกมีความเข้าใจตนเองอย่างแจ่แจ้งได้ก็ยากถึงแม้จะปัญหาภายนอกเราก็ยังเข้าใจสี่ัต่างภายนอกได้ไมหมดจะปวกล่าวไปใยญ่จากกระบวนการที่จะเข้าใจตัตวเองเพราะการเข้าใจตัตวเองเนี่นั่นก็คือต้องเข้าใจคุณธรรมจิตของตัวเองเป็นสาคัญนึ่ะครับที่เป็นปัญห า, าที่ทำาพุจิตใสนเหล่าน้นะ แต่กาที่สอนให้เราเข้าถึงภายในคือเข้าถึงจิตใจของตัวเองแต่เพราะว่าเราเป็นคนคิดคนเราจรงึงไม่สามารถที่จะเข้าใจตัวตัวเองได้ตลอดเพราะเหตุ น, นั้นธรรมะในศาสนาจึงสอนมุ่งทางขัดเคลืจิตใจเพื่อที่จะให้เรารู้จักตัวของตัวเองอันนี้เป็นองคัญมากด้วยการต่างๆที่เขาพิาจารณาเป็นพันๆขึ้น เป็นกาการพิจารณาจิตในจิตคดีหรือการจเจริญมธรรมฐ า, น, า, ตมตานต่างๆมีพิพัฒนสติปัญญาสิ่งต่างๆเรล่านี้คดีเพื่อแต่จะไม่เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยใอะไราพิจารณาใจในตัวเองเข้าถึงจิตในตัวเองได้เพราะฉะนั้นพุทธสาวะถ้าหากว่าไม่เข้าไปถึงประเด็นเรื่องจิตที่ซึ่งเป็นภายในของตนนั้น ยังควบคุมใจตัวเองไม่ได้จาบได้แม้เราจะเป็นเพียงผู้ใช้รรมต่างๆผู้ศเหล่านั้นจะยังไม่ใช่เป็นงผู้ศรัทธาเฉยิถ้าหากว่าเราเข้าถึงประเด็นธรรมะในข้อที่จะแยกแยะมีใจปัญหาเรื่องจิตของเราได้อันนี้แหละครับที่เป็นวิธีทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เราเข้าถท่านบอกว่าในความหมายคําว่าจิตกระท่าในไปพุทธศาสนาทักษิณญาณ น, นั้นก็มหมายถึงว่าจิตนี้เป็นที่สังสมเป็นที่สั่งสม ท่านบอกว่าคําว่าจิตหมายถึงสั่งสมอารมณ์ส่วนคําว่ามโนซึ่งไปไวท์พจน์ที่คำว่าจิตนั้นเพ่งในทางคิดเป็นธาตุคิดไวท์พจน์ของจิตอีกคำหนึ่งคือวิญญาณซึ่งท่านแก้เป็นลาดับว่าจิตนั้นหมายถึงสั่งสมสั่งสมอารมณ์มโนนั้นหมายถึงคิดลึกในอารมณ์อีกคำหนึ่งคือวิญญาณท่านบอกว่าหมายถึงรู้แจ้งในอารมณ์รู้ธรรมะที่รู้อารมณ์วิญญาณตารที่ธรรมะที่รู้อารมณ์นั้ก็รู้โดยทางอายตนะสัมผัส ได้แต่กิริยาบทต่างๆในความเป็นอยู่ประจําวันของเราการเดินเหินยืนเดินการมับอารมณ์ต่างๆก็จะต้องมีวิญ ญ, ญาณทําหน้าที่เป็นวิชาณนะรักขณะเป็นหน้าที่รู้ในอารมณ์อันนั้นอันนี้เป็นรายพลด้วยกันในการว่าแบบจิตมโนวิญญาณมีข้อแตกต่างกันอย่างไรต้องบอกว่าพัฒนะเราเป็นนักศึกษาทางพระอภิธรรมเราก็ต้องทําความกําหนดหมายใน คุณลักษณะของจิตของมโนกับจินญาณว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันที่เหมือนกันเพราะอะไรที่แตกต่างกันเพราะอะไรในข้อนรื่องของณะป่ายมหายานกับเทระวัฒน์ก็มีจิตแตกต่างท่านบอกว่าอธิธรรมใน่ายมหายาณเทียงกันว่ามีกายวิทยานว่าพระมิกายนี้เลยให้คำมียามจิตจินยามโนแตกต่างกันอย่างนี้ว่าจิตนั้นหมายถึงอารยะ อารยะวิทยานะอารยะวิทยานัหมายถึงติดเหรือเป็นวิญญาณรวงที่8ตกแต่อัที่8มกมนนั้นเป็นวิญญาณดนงที่เจ็บมนทษย์หน้าที่คิดคิดอารมณ์นั้นเป็นดวงที่7แล้วก็ส่วนวิญญาณวิญญาณภาพนั้นได้แก่พฤติกรรมที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่รู้อารมณ์อันนี้ก็รวมหมดก็เป็น8มีวิญญาณแปดเลยร็คือว่าวิญญาณอันทางอายตนะที่รับรู้อารมณ์6 แล้วก็มีมโนโอีกเจอันนี้อันที่เจ็แล้วก็อีกนั่งอยู่ในอันทิ่แปดอันดับที่แปดที่เกันว่า อ, อาลัยวิญญาณท่านบอกว่า อ, อารยวิญญาณมโนวิญญาณแล้วก็วิญญาณภาพทั้งทั้งสามอันเนี่ยจะแตกต่างกันนม่เหมือนกันทางมหาญานก็ให้ทําจํากัดความว่า อ, อ า, ญญ า, อายัยวิญญาณไรืออีกนายหนงที่เรียกกนั้นไม่หน่าที่ ส, สั่งสมพฤติกรรมต่างๆในชีวิตของเราเป็นผู้เก็บเก็บพฤติกรรมในอดีตต่างๆขนุนไว้หมดได้ในสัพพิตติยเพของ ธพาพนนตอุอันนี้ธาตรู้วนีาา้คืออะไรเป็นญาณภาตส่วนส่วนมโนนั่นทําหน้าที่คิดส่วนมโนมโนทีน่ท่านให้ทำนิยามนั้นว่ามโนเนี่ยเป็นผู้ที่คิดคิดในอารมณ์อารมณ์ต่างๆ ท, ที่ผ่านมาทางอายตนะแล้วผู่คิดนั้นคือมโนเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงอารมณ์คิดอารมณ์ให้เป็นไปวิจิตพิจ า, า, า, าราต่างๆที่จะน้าติดของมโนพระครูาสาวบอกว่าส่วนวิญญาณ น, นั้นได้แต่การรู้แจ้งในอารมณ์ทางอายตนะรับสัมผัส ราคืออวิชชาภายในภายนอกไม่ต้องขัด ก, กันแล้วยวามรู้เกิดขึ้นเกี่ยวกับวิญญาณยกตัวอย่างเช่นว่าโัสตาลุที่ไปกระพกเร้รู้ว่าเย็นร้อนออนแข็งอ่ะอย่างนี้อาการอย่างนี้คือหน้าที่ของวิญญาณหรือว่าการที่เราจะดูวิญญาณที่เห็นดูตาลุนต่างๆเป็นงามรู้ไม่งามอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของวิญญาณธ า, าตุมุงปาสุกาวาบอกว่าในพุทธศาสนาฝ่ายสามัคคานเห็นว่าอาการที่ว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยความจริงน่ะ เป็นภาพรู้อันเดียวกันแหละครับแต่ว่าพฤติกรรมนี่แยกแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นอดีตภาพรู้ที่ไปในอดีตเราเ like รียกคำหยีว่ามโนภารู้ที่ทหน้าที่ในปัจจุบันเรียกวิญญาณตวภาพรู้ที่จะทำหน้าที่ในอนาคตนั้นเรียกันว่าติมีก็เรียกไปตามเป็นมันเป็นาดตามพฤติกรรมอดีตปัจจุบันอนาคตเอาาะเนี่ยมาแบ่งว่าอดีต่รุลวี่ยมโนปัจจุบันที่ทหน้าที่อยู่เรียกวิญญาณ ส่วนอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นผา น, นวินาทอนาคตนั้นตัดเรียกกันว่าัตถุท่านบอกว่ายน า, านนาการทางพุทธศาสนาหลังจากพุทธเจ้าอิปานแล้วก็มีสั่งนิกายต่างให้ทัฒนะเกี่ยวกับการจำกัดความเรื่องนะจิตมโนวิญญาณซึ่งอะไรทางเทระวาลวก็ถือบอกว่าจิตมโนวิญญาณนี้น่ะบางทีก็เป็นอันเดียวกันแต่ว่าโดยทางนิการที่ทางมหายาณในการพิจารณาว่ากันถื อ, อว่าจิตมโนวิญญาณนะ่ะแตกต่งางกันโดยเด็ดขาด ถึงกับจับเป็นวิญญาณน่ะแปดดวงแปดธาตุตาจะจะมีธาตุรู้ดีแปดจดกันนางที่เด็กกล่าวมาแล้วอันนี้ก็เป็นรื่นาการทางศาสนาซึ่งแต่ละมีกาย ก, ายก็มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่อ ง, องนี้มีกายที่ถือว่าติดวิญญาณมนุษยอันเดียวกันนั่นให้เขาขึ้มาว่าหมุนกันหนึ่งแล้วจับลิงมาตวนจับลิงมาตว น, นครังไว้ในเกลืและเกลือที่รังลิงก็งมีหกประตูด้วยกันอะไรที่มัมาจะพบประตูไหนไอ้เจ้ิงตัวนี้ก็ไปวิ่งไปรับลูกทางประตูนั้น โอปปะตัน er, ี้โอปมาหัวนึ่งอะไรนะตาหูจมูกคลิ้มตายใจตัวิงตนี้ก็คือติดกนแหละอันเดีวกันเดี๋ยวมอารมณ์มากระทบทางตาตัวลิงก็วิ่งะรับู้ทางตาเกิดเป็นจับหูปิญญาลูกตารมขึ้นอารมณ์มากระทบทางหูตัวลิงตัวนั้นก็วิ่งไปรับู้ทางประตูด้านหูก็เกิดเป็นสัตว์ารมณขึ้นมาเกิดเป็นหูจัปญญาไปรับเป็นสัตว์อารมณขึ้นมาอย่างนี้ก็ถือว่าติดปีญญาอันเดียวกัน แต่รู้อยากทำหน้าที่คนณลักษณะจริงเล่ห์เลยงกันแต่ต่างกันออกไปนี่เป็นมเป็นอันหนึง่งในทางมหาญาณได้ถือหลักเรื่องคาว่าจิตคืออธิบายง่ายต้องคำว่าอะาไราิญญาณเนี่ยาคือว่าอะไรอย่ญญางิ่งยานี่คือองค์ของพุทธเป็นองคหชีวิตเพราะฉะนั้นอะไญญญอย่างยิ่งานีมีฐานะที่ต้องทำที่สุดในพุทธศาสนาฝ่ า, า, ม า, ายมหาญาณทางมีการนี้ก็ถือว่าจิตม โ, โนวิญญาณ น, นั้นภาวะมันเป็นมูลสายของมันแนละ้วก็อันเดียวกัน แตนื่อจากพฤติกรรมมันทำหน้าที่ต่างกันก็เลยเรียกไปตามพฤติกรรมว่าในขณะที่มันทําพฤติกรรมอย่างนี้เราบัญญัติว่าเป็จิตในขณะที่มันทําพฤติกรรมอย่างนี้ก็บัญญัติว่ามโนในขณะที่ทำพฤติกรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าวิญญาณปัญหาประเด็นต่อมาก็คือว่าอะไรเป็นเหตุให้จิตไปทําหน้าที่อะไรเป็นเหตุให้มโนไปทําหน้าที่อะไรเป็นเหตุให้วิญญาณไปทําหน้าที่สิ่งที่กระตุ้นวิเหตุปัจจัยของจิตมโนวิญญาณจะต้องมีมันต้งมีพฤติกรรมตึงมาได้ ในฝ่าเยเหตุรวาถ้าที่ฉันรู้มาก็ถือว่าสิ่งที่กระตุ้นให้มีพฤติกรรมเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยหนึ่งอาศัยอาอยุชนะภายใ น, ในสองอาศัยอายุชนะภายนอกสาอาศัยมินติการะเื่อรวมกันถึงจะเกิดมีวิญญาณลพ่าภาพลู่ถึงทำหน้าที่ปรากฏนอกมาข้อสำคัญก็คืว่าต้องมีอินทรียุทธะพารุณีสำคัญที่สุดโดยที่มีปัญห า, า, ญญญ า, าทาเลยยุพระพรุณด้วยอินทรีย์อันนี้่ ถ้าจะเปลียนก็เปลี่ยนเนือนกับรากแก้วของบรรดาต้นไม้ใหญ่น้อยทั้งหลายทาไม่มีรากได้แล้วต่อต้นไม้ใหญ่น้อยจะเจรินแต่โตขึ้นไม่ได้เลยชั้นใดวิญญาณวิญญาณพาดรูจักพึ่มีพฤติกรรมออกมาก็าต้องอาไยอินทรีย์หรือภาษาพรู่เนี่ยเป็นหลักภาษาพรุเ น, นี่ยไปตความผิดต่อระรงองปะาปศพซึ่งจะนำมากล่าวในวันนี้ก็คือว่าทีาอยู่ว่าเปนนามธรรมหรือจะทำทีเดียวมันเนอินทรีย์อินทรีย์เนี่ยท่านบอกว่าอินทรีย์หรือภาษาพระนั้นมีอยู่สองตัวกัน ตามในการวิทยานว่าเขาไปมาหาญาติเขาอย่างหนึ่งเรียกว่าสุภาภาษาพระอินทร์อินทรีสุภาภาษาพระอินทรีนี่นะสําเร็จจากดินน้าไปเลยแต่ว่าเป็นรูปซุกขุมละเอียดมาก mm hmm. โคตรเลยคือได้รับภาษาตามที่เรารู้รู้กันอีกอย่างหนึ่งเป็นประเทศที่ยาวสามารถเราอาจจะถึงได้ทางตาของเราเช่นว่เราดูรูปแกแล้ลกงในดวงตาไปอื่นเขามีประกอบที่อะไรบ้างมีเนื้ออ่อนี้อะไรมาะสมกัน แล้วก็นนกกา ท, ทางจมูกก็มีเส้นประสาทให้ทางจมูกก็รับมอง ม, มือตาเนื่อจับก็พอจะเห็นหรือว่าประสาททางทวารอื่นๆซึ่งในทางแพทยาศาสตร์ก็ยังเห็นกันได้ขี่จั่กันเอามาดูได้ปราทอย่างนี้แหลเป็นของหยากไม่ใช่เมื อ, อย่างแรกอย่างแรกก็จะ ม, มุนไพรูปถ้าอาธิพรรมเมื่ออ ธ, ธิบายถึงอินทรียาบก็บสมุนปุมสองอย่างชนิดนี้ท่านจะยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคนตาลงไปหม่ไหว อนเราเล่ไปใหม่ะเราดูลูกกะตาก็เนื้อลูกกระตากตาดำตาขาวก็ไม่ได้มีบัตดทําลายอะไรลงไปร่างกายก็ยังไมทันเน่าเสือกพังออกมาน้ำหนอกก็ยังไม่ดีประตาทที่เราเห็นทตาตาเนื้อเราเป็นเป็นเส้นเโค้งๆออกมาเส้นเอ็เส็นเล็กเป้นใหญ่ต่างๆอย่างนี้เป็นของหยาบแต่ว่าถ้ามันเป็นของหยาบเนี่ยทำไมปากสุทันนั้นจึงเคลื่อนไหวไม่ได้เราก็หมายรู้ได้ว่าเป็นผู้ตายแล้วที่รู้ว่าเป็นผู้ตายแล้วเพราะว่าอินทรีย์ชนิดสุขุมเนี่ยมันทําลายไปแล้ว ชนิที่ว่าไม่ส า, ามามีตาเปล่าได้มันทํามาไปแล้วแต่อินทรี์ที่ยังไ ม, ม่ทำลายไดตาเปล่าเนี่ยปรากฏไปลราได้อยู่่านบอกว่าประสาทสองท่านท่านอนยาบกับท่านละเอียดเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าหาว่าเรามีแต่ประสาทท่านหยาไม่มีประสาทท่านละเอียดเราก็เหมือนล้านตาจะเหมือนจับตุกถ้าหาว่ามีแต่ประสาทท่านละเอียดไม่มีทัานหยาเราก็จะติดต่อกับสัมผัดภายน อ, อกไม่ได้อาศัยดันขับสองอันเนี่ยพุทธศาสนาพิจิตรายว่าจะเป็นหอาญาหรือเทววัตนะ่านก็รับรองอันนี้ท่านน ท่านบอกว่าลำพังมีเพียงแต่อินทรีย์หรืออินทรีย์รูปดังที่ได้ว่ามาในร่างกายของคุเราต่หาวกวมีอวิชชะภายนอกแล้วมากระทบแล้วเราอินทรียาธาตุจไม่เกิดเพราะฉะนั้นของภายในเรามีอยู่คืออินทรีย์รูปทั้งหยาบทั้งสุ ข, ขุมในขณะเดียวกันก็ต้องมีที่ัยคืออวิชชาภายนอกมากระทบะท่านกาบอกว่าแม้เราจะมีทั้งอินทรีย์รูปทั้งหยาบทั้งสุ ข, ขุมอยู่ในตัว หรือแม้จะมีอายุเนะภายนอกมาให้มากระทบแต่ถ้าหาว่าขาดความตั้งใจหรือมณฑิการแล้ววิญญาณก็ไเกิดเพราะเหตุนั้นจึงมีคําพังเพยในภาษาจีนบอกว่าคนถ้าหาว่าคนเราไม่มีมณฑิการติืการตั้งใจแล้วขอให้อารมณ์ร่ายใจทางประการอ่านมาก็เหมือนไม่ได้ผ่านเห็นก็เหมือนไม่เห็นได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินทั้งนี้เพราขาดเจตมานฑปิการท่านบอกว่าเมื่อาอายุเทนภ า, ายาในภายนอกมากระทบ อายนาภายในนัเราก็ไม่เสียอินทรียูปุ่นสมบูรณ์ทั้งสฝ่ายแล้วก็มีของภายนอกวิสัยมากระทบอย่างนี้ความตั้งใจที่จะรู้ดูจะยินดมลิ้นก็เราก็มีอยู่เดี่ยวมานติกาอาการตั้งใจจะรับอารมณ์เนี่ยคือมณาตาิกาอย่างนี้แล้วเราจะรู้แก้ในอารมณ์นั้นได้วิญญาณจะมีพฤติกรรมต้องอาศัยมีสัตว์อินทรีย์ภายในกับอินทรีย์ภายนอกมากระท บ, บแล้วก็มีจอมณติกาเนี่ยเป็นตัวกลางจึงเกิดวิญญาณขึ้นมา ในอาคมของนิกายเทโลวะก็ไปรับรองในมติอันนี้ที่ว่าทหารว่าจากักขุน้นซีไม่มีบัตรกินสีไม่มีบัตรมีอารมณ์ภายนอกมากระทบมนติการเต็มไปอยู่จักผูกวิญญาณก็เกิดขึ้นมาอันนี้ทํามะาายานก็สอนตรงกันแบบนี้รับรองมันดีรั น, นในกายเชียนว่ายุคหลังเได้เครื่อมเติมบอกว่าวิญญาณธาตุาจะเกิดขึ้นจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยอารมณ์ปัจจัยแล้วก็อธิปติปัจจัย อันนี้จะต้องมีปัจจัยมาลงขึ้นมามาช่วยสดับสนุนปัจจัยสีที่ท่านพูดนั่นทุกโรมาไอพีนะครับมีเอตุปัจจัยอารมณะปัจจัยแล้วก็อนันตระปัจจัยอาิตติปัจจัยสี่งปัจจัยเนี่ยทั้งสีปัจจัยเนี่ยอนันตระปัจจัยเนี่ยสำคัญที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจาอ่หอนันตระปัจจัยโดยสู่อเปนจริงว่าเป็นอุเยียน แล้าเขาแยกาว่าตัวไหมายถึงอะไรอุจเย็นอ่ะหมายถึงอะไรนะะแต่ว่าพากลายเป็นภาษาบาลีก็แปลจาอันนันกระตับจันแหละเขาก็อธิบายสามั้นคำว่าวท่านนี่น่ะท่านหมายถึงว่าความสม่ำเสมอไม่มีอะไรเบยนความสมนุนสม่ำเสมอเขาว่า้เจียนท่านนี่น่ะหมายถึงว่าความไม่ขาดสายไม่ขาดตอนนี่องคานี้ส่งที่กันก็เรียกว่าแปลเป็นบาลีก็อันันระัจใจท่านสุปมาว่ามือคนเดียเข้ามาข้างกระชุนนี้ คนเข้าแถวกันมาคนข้างหน้าต้องเข้ามาแล้วคนที่สองคุณที่สองิงตามเข้ามาได้ถ้าคุณข้างหน้ายินข้ามมาตูอยู่คนณที่สองเข้ามาไม่ได้ต้องเข้ามาเป็นลําดับลำดับลำดับกันไม่มีการจะมาตัดคิวกันอีกมาเป็นลำดับเข้าแถวเรียงแถวตัวเข้ามาในห้องประชุมองค์ประศกาวบอกว่าอันนั้นรปัจจัยที่เป็นปลายกระิบนั้นได้แต่ขณะต้นเป็นปัจจัยแต่ขนาดหลังถ้าหากว่าขนาดต้นยังไม่บับแล้วขนาดหลังจะมาชิงเกิดไม่ได้ต่างคนต่างมีคิวของตัว ขณะต้นเกิดแล้วขณะต้นต้องดังบไปอีกถิพจะต้องเกิดในขณะต่อไปถึงเกิดขึ้นมาได้อิทดวงเดียวจะรับอารมณ์ส อ, อย่างพร้อมกันไม่ได้ต้องรับทีละอย่างทีละอย่นางทีละขณะทีละขณะแต่ว่าเป็นไปอย่างรวโดเร็วสืบเนื่องกันไม่ขาดสายเลยอุปมาเหมืน อ, น, น, อ, มมอ น, น, มนสายน้ําที่ไหลกระพังไหลรวดเร็วมากมองเป็ติดเนื่องเหมือนสายน้ําสายเดียวกันฉะนั้นอุปายบอกกัอุออปม า, า, าว่ายัางนักปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานกำหนดอารมณร์ของกรรมฐานอย่างนี้ ขณะที่เรากสงบอารมณ์กรรมฐานก็ไม่แว่าติตเกิดดวงเดียวนะไม่ใช่นะจิตเกิดตั้งหนูนันไปหัวเกิดเป็นขณะต้นขณะหลังสื่นอยทำมาเรื่อยๆแต่ถึงไม่จะเกิดตั้งมากมายหลายขณะแต่ขณะเหล่านั้นน่ะก็มีอารมณ์ันเดียวกันขณะต้นอารมณ์อย่างไรขณะต่อมาก็อารมณ์อย่างนั้นขณะถัดไปอีกก็อารมณ์อย่างนั้นอาการอี่จิตแต่ละขณะขณะที่เกิดในอารมณ์อันเดียวกันนี่แหละในอารมณ์ที่เหมือนกันนี่แหละเรายีเป็น่าเข้าสมาธิได้สมาธิจิกเสร็จ ภาาว่อารมณ์ขณะต้นอย่างหนึ่งอารมณ์ขนาดล้งอย่างหนึ่งอย่างนี้ไม่กถือว่าเป็นการเข้าสมาธิแล้วเป็นความพล่องแคล่วเป็นทักษะเป็นวิเคะห์ัจไม่ใช่สมาธิิตไม่ใช่เอกัจาตาจิตเกขจาิตธรมดาไหไม่ได้หมายความว่าจิตไม่เกิดดับอยู่นั่นอยู่นั้ไม่ใช่หมายถึงว่ามันเกิดดับว่าการเกิดดับมากๆมันเนี่ยองอารมณ์อันเก่าน่อารมณ์ออันเดีนั่นหละิตอารมณ์ข Deal, nee. okay. er appear, นาดต้นอารมณ์อย่างไจขณะหลังก็ือาอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ รักษาคงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่เรื่อยอย่างนี้จริงอยู่เอกขะตาท่านบอกว่าอนนันตระปัจจอันนี้น่ะถ้าจะมาปรับปรับการรับรู้อารมณ์ทางอายุชนะก็มีอยู่สองีกสิสองหนายักษ์อย่างหนึ่งหมายความว่าพระอาวุธสิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นอุทักษะความคุ้มซ่ามากไปมณฑิการะสตะตกตูวนี้ัำมณฑิการะตกเพราะว่าความคุ้มซ่าจะมาครอบงำไม่มณฑิการะจักไม่มั่นคงอย่างนี้แล้ว การที่จะรู้แจ้งชัดในอารมณ์มันก็ไม่จ้ไม่แจ้งชัดได้กั บ, บนู้งัวงมีพอ่อจิตเป็นฟุ้งไม่ไม่ไม่เป็นที่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งได้แต่จิตที่ตกอยู่ในภูมิเป็นถีนริทะความง่วงเมาเมานอนง่วงงุนความอ่อนเพลียอาการผีนริทะอเนี้ยติดมันตกตกมากเกินไปก็จะอารมณ์ไม่แจ้งชัดฟุ้งมากเกินไปจะไม่แจ้งชัดตกมากเกินไปก็ไม่แจ้งชัด ส่วนอารมณปัจจัยก็ได้แก่ใจเนี่ยรับอารมณ์อารมณ์อกข้างนอกแต่แกผู้อุปาลุมสัตพาลณ์เหล่านี้นี่เป็นอารมณ์ปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คืออธิสติปัจจัยอธิสติปัจจัยในการรับอารมณ์น่ะท่านยกตัวอย่างว่าแสงสว่างอารมณละแล้วก็ช่องว่างพอทุกส่วนอย่างที่ว่าจับกุญญายังจะลุกในอุปาลุมเจาอุาลุมอันั้นคิดมันก็ตาเติมไปจักกุญญายัไม่เกิดช่องว่างมันไม่ห่างต่อของส่วนเนี่ยมันคิดเติมัดไม่เติม หรือถามว่าข้าไปนนที่นี้ไม่มีแสงสว่างเลยแม่รูปารลมจะอยู่ระยะขอเท่าควรจะขุดยันก็ไม่เกิดเพราะขาดอะโลกาอะโลกาก็ต า, าช่อบว่างอเท่าควรก็ตาอันนี้เป็นอธิปติปัจจัยกบเป็นอธิปติปัจจัยส่วนเหตุปัจจัยนั้นท่านหมายถึงมูลรากมูลรากือพฤติกรรมที่เก็ดอยู่ในคพื้นจิตเป็นพื้นฐานของจิตอุปมาหนึ่งต้นไม้ก็ต้องมีพื้ของมันเป็นมูลฐานมันจึงจะสามารถ เ, เต่โตขึ้นมาเราต้องอามาปลูกมันเติบโตขึ้นมาได้อเอสต์ปัจใจี่จะฟุง ง, ง่ายๆก็ได้แต่จิตใต้จะ น, นึกเหมือนเด็กอารมณ์ต่างๆีเก็บคมมึนว้ในใต้ขอ ง, ของจิตความมึนเรา ม, มีอารมณ์คามึนมอยู่ต้จิตของจิตแล้วเราก็ไพบอารมณ์อันนั้นอีกก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ันนั้นเป็นอะไรถ้าก็ตัวยอย่างเช่นือ น, นเด็กทารกเด็กทารกน่ยยังไม่ได้รู้บรรยัตต่างๆในทางโลกถ้าาเอาเราไปให้ดูมันก็ไ่รู้กก็ไปดูว่าอ่งนี้ดีกว่าไรเพราะว่าในจิตที่เด็กน นี่คืมีสิ่งนั้นนี่เข้าไปเก็บอยู่ในความรู้สึกในใต้จนของเขาเลยแต่ถ้าหาว่าเราคนโตแล้วเราเคยรู้แล้ว่าตัวอย่างที่นวัถุปรากฏขึ้นไมโครโฟนาเงี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นไโครโฟความรู้ันนี้ก็ประทับอยู่ใต้จมกในวันข้างหน้าถ้าเาไปว่ตสุขึ้นรักอย่างนี้อีกเรอหล่นอ่อเดียวเป็นไมเป็นไมโครโฟนอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างถ้าเหตุนั้นอาจารที่เขาไปประทับอยู่ใต้จกนี่แหละพฤติกรรมต่างๆที่เก็บทิตไว้เราทำให้ในวันโอกาสข้างหน้าเมื่อกระทบกับอารมณ์อันนั้นอ และจากพฤิกรรมอนี้ก็ต่อเหตุขึ้นมาให้เราเ ร, รู้เรียกวัตถุอันนั้นแหลถูกต้องอันนี้เป็นเหตุปัจจัยท่านบอกว่าเรื่องขจิตที่อาจารอธิบายมาโดยอาศัยหลักปัจจัยสีเนี่ยอ่าในเชื่อว่าในคาทีฝ่ายเจริญว่าต้องมีลูกปัจจัยสีนี้อาหมายยังกระถือปัจจัยสี่นี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็นอกจากปัจจัยสี่ที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วยังได้พูดถึงว่าจิตจะเกิดขึ้นหรือไม่ ท, ที่เกิดด้วยลำพังจิตแท้ๆยังมีความที่เกิดข่วงกับจิตเก่าวไปเจริญกับจิตกระท เจตปฏิกะธรรมนี้การจัดบําดับก็คงจะจับแตกต่างกันไปายในะว่างตั้งธรรมะยังเขจับมีมหาตูมีกระทำฝ่ามหาตูมีกระทำเจตปิกะธรรมอย่างนี้หรือว่าเป็นอุปกิเทสเจตปฏิกะธรรมอย่างนี้อหรือว่าเป็นสัพจิตตสาภาณะเจตสฏิกะธรรมอย่างนี้เขาก็มีจัดเหมือนกันเจตปฏิกะธรรมนี้เขาอธิบายอันลาดับต่อมาสิ่งสำคัญก็คือมีเวทนาสธิบายเรื่เวทนา เพาเวทนาเกี่กับอะไรก็ยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะนี้ที่ท่านประดายาปะพาอยู่เนี่ยหนึ่งจากเมืองไครเป็นเมืองร้อนก็จาเป็นต้องมีพัดลมมาช่วยเมื่อพัดลมเดินไปต้องไ้รับความสบายจากพัดลมอย่างนี้จุงเวทนาเกิดนี่เป็นความรู้สึกความสบายในขณะเดียวกันวันนี้เาเดียวกันน้าขอเราอยู่ที่ต้หวังประเทศของท่ขณะนี้กันลั้อากาศหนาวจัดทายจนปลุมต้องไป่้าขนัดต้องใสผ้าสลีหนาที่จะอยู like> ่กันไ่้ หากยาพัดในพัดเท่าเนี่ยเกิดเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาความรู้สึกที่ไม่ชอบไม่ชอบใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทนาที่มันจะไปติดวุหนึ่งเกิดท้องประชิดไม่ว่าที่ในพระว่าที่ได้ร i, ับสิทธาโลมอันนร้ขาลงได้ท่านบอกว่าผู้ที่ชนผัวไปยพอกระทบอารมณ์ที่อิทธาโลมก็ยินดีสบายมีความสุขสุกเวทนาเกิดถ้ากระทบอารมณ์ที่เป็นอันนี้ขาลงก็ทุกเวทนาเกิดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นมา อาการเ่นี้เป็นเจริญิกระทำที่เกิดกับจิตที่จิตจะจิตสบายจิตเป็นสุขเวทนาก็เป็นสุขจิตเป็นทุกข์เวทนาก็ป่อยเป็นทุกข์นี่เกิดจากเวทนาครั้งนี้พระมหาเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันตบุขคนก็ดีหรือพระสมาพระพุทธเจ้ากดีท่านมีพลังกุเบขากล่าคือการวางเฉยได้ในขณะที่รับผกระทบอารมณ์อันเป็นไฟอนิทาลมก็อิทธารมไม่ทําให้จิตใจกำเริบไปกับอารมณ์อันนั้นอย่างนี้เป็นกุเบขาอันเป็นไฟในทรทุกข์ อ า, อาโปาโทกาบอกว่าพระอาริยะรับอารมณ์ก็เช่นเปียกับปุถุชนรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระอรหันเนี่ยท่านยังมีร่างกายอยู่อันเป็นวิบากฐานท่านยังร่ายวิบากฐานอันนี้ไม่ได้ยังต้องใช้ร่างกายเพื่อการํารลุชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อดินฝ้าอากาศเปลี่ยนแปลงท่ารู้สึกกับความเีย็น้อนอ่อนแข็งความเย็นความร้อนมันรู้สึกเมื่อร่างกายขาดอาหารก็รู้สึกผิวโหยอาการเหล่านีนะ้เป็นเวสนาเหมือนกันแต่เวสนาอันนั้นไม่สามารถที่จะครอบงำถ้าไม่ใจของท่ากําเริบ คอยทุบคอยตุบไปด้วยกับสิ่งต่างมากระทบทางวิบากฐานทุท่านอายุตัวอย่างเช่นใครับพุทกายมีพระอฏิบัติานองค์หนึ่งมาอยู่ในป่าสูงแล้วก็ถูกงูใหญ่กินเข้าไปกินเข้าไปขึ้นตัวถูงูใหญ่รับก็กินเข้าไปพระองค์นี้ก่อนที่จะไปบารณะก็าก็ล่องขึ้นอความเจ็บปวดแต่นี่คือธนี้กตรู้ว่าธรรมิตรเป็นอรหนแล้วทำไมยังล่องความเจ็บปวดก็ถามว่าที่ล่องน่ะล่องเพื่อทำกุศลอาหันแล้วไม่ใช่หรือ ทำไมยังนี่จับร่างความเจ็บปวดด้วยเราท่านก็ตอบอกว่าที่ร้องนะ่ะร่างกายมันร้องเราใจท่านก็ท่านก็เลยมีการไปตามความทุกข์อันนี้ด้วยร่งงางรอเพราะร่างกายมันถูกมูรัดมันก็เกิดเจ็บปวดขึ้นล่างกาท่านรู้เป็นเจ็บปวดก็ร้องเป็นคามรู้สึทกทางภาษาที่บังคับออกมาในร่างอย่างนี้ซึ่งเห็นที่ทำให้พระอริยเจ้าภูมิชน่างกันในความรู้สึกเช่นนี้ก็เพราะว่ารอริยะนั้นท่านหมดกิเลสปัญหาแล้วที่เป็นเชื่อมูลของกิเลสที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้ แต่นนคนผนะู้พิชชนยังมีกิเลสปัญหาอยู่จิงคลอยปลุกพลอยทุบทั้งจิตทั้งใจไปหมดเลยทั้งร่างกายกจิตใจไปหมดเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพระศาสนาจึงต้องคอยระวังตัวไม่ให้ไม่ให้ตัวของเราเนี่ยถูกสิ่งแาดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องอยู่กับสิ่งแวดลอ้อมรักอารมณ์กับสิ่งแวดลอ้อมนี่เป็นเรื่องที่เราห น, นีไม่พ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นนายของสิ่งแวดลอ้อมอย่าให้สิ่งแวดลอมเป็นนาย แต่อันนี้ต้องค์ปสสาวะทำได้ยากนอกจากผู้ที่ว่าแต่ปฏิบัติทำมาอย่างท่านช่องจริงๆ จ, จริงจะรู้เท่าทันอารณ์ได้เมื่อเวนเทนาเจริญติเกิดสัญญาเจริญติก็เกิดตามสัญญาเจริญติดได้แกอะไรก็คือว่าได้แก่ความรู้ความรู้ในอารมณ์ที่ได้รักว่าเป็นอะไรดีรูม่ดีอันเนี้ถ้าเป็นอ้างสัญญานั้นบ่กเป็นสัญญาที่ดีก็เกิดความโลภะในสิ่งนั้นเกิด ค, ความติดตนสถึงนั้น ถ้าไม่ดีก็เกิดความยิ่งโน้มถ่ายจะค้นจากสิ่งนั้นท่านบอกว่าการรับรู้อารมณ์ระหว่งางพระระยะกับมุตชนน่ะพระมุตชนรับรู้ด้วย ค, ความอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่ออำนาจอวิชชาของมุตชนเนี่ยจริงเกิดวิกลปติวิกะปัิคือการจาแนกแบ่งแยกว่าเป็นนั่นเป็นนี้เป็นดีเป็นไม่ดีเป็นงามเป็นไม่งามความสุขแบ่งแยกตรงนี้แล้วก็ล อ, เ, อเกิดความตื่นเต้นดีดีดีร้ายไปตามสิ่งที่ตัวแบ่งแยกขึ้นมาจากอารมณ์อันนั้นความจริงอารมณ์มนไ่มีที่สูงตะไคร์เลยมันตั้งยังไหนก็อยู่ตรงนั้นหละ จึงที่จะเป็นคิดสงสัยถิ่นดีงามไม่ดีไม่งามต่างๆเกิดจากการแบ่งแยกคนแต่อย่างนี่เข้าไปสวมลอยกับอารมณ์นั้นนั่นสัตว์ส่วนพระอริยมูลนั้นท่านอยู่ด้วยปัญญาไม่ได้อยู่ด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นเมือ่อท่านอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้อารมณ์จึงไม่ชอบนํท่านเพราะฉะนั้นเราการในการเรียนรู้พุทธศาสนาเราต้องเรียนเพื่อที่จะต้องการทําลายไอ้ความแบ่งความรู้สึกแบ่งแยก ค, คือกิเลสอันนี้ให้มันค่อยค่อหมดไปนี่เป็นหน้าที่สำคัญในการศึกษาทางพุทธศาสนา อวิญญาณทางอจนะจับุวิญญาณโสจวิญญาณนอาวิญญาณชิวหาวิญญาณจับายวิญญาณมโนวิญญาณทั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกันได้มั้หรือองเกิดทีละข้างอันนี้เราเป็นปัญหาเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องอพูดกันท่านบว่าวิญญาณทั้งกเนี่ยมโนวิญญาณสคัญที่สุดเพราะมโนวิญญาณน่ะทำหน้าที่รู้ทำมาลนทั้งในอดีตับอนาคตดดาได้เป็นอมาตคิดนึกทบกโนในที่เป็นอดีตแล้วก็สรางมนโนภาพเรื่อที่จะเป็นไปในอนาคต เพราะนั้นมนุวิญญาณนี่ยจริงวิญญาณดวงที่สำคัญที่สุดในการจะควบคุมวิญญาณในภาพนะ้นส่วนในปัจจุบันนั้นอารที่เป็นปัจจุบันได้แต่อารมณ์ทางทวารในาพยกโัอย่างดวตาเป็นรูปหูฝังเสียงแต่ตลุงพังตาจับสีหรือหัึงตีอย่างเดียวไม่ไอจอมนวิญญาณมาประกอบ้วยชอบกันแล้วโตัะตาวารก็จะไม่อาที่จะเกิดวิญญาณในภารูปไม่ได้ทั้งจักุทวาก็ไม่อาจจะเกิด ภาพน้เกิากกูวิญญาณจึงได้อาการที่เกิดจากวิญญาณนี้จากกวิญญาณเกิดขึ้นนั่นก็แปลว่ามีมโนวิญญาณเข้าไปเป็นยาวังแทรกอยู่ทำหน้าที่ประกอบกัน้วยในขนานั้นแล้วเพราะฉะนั้นมโนวิญญาณจึงทาหน้าที่2อย่างอย่างหนึ่งทาหน้าที่เกิดดับท้ับวิญญาณปั้นจากวิญญาณอย่างหนึ่งทหน้าที่เกิดับ้องปั้าวิญญาณปั้นจะวิญญาณวิญญาณแล้ววิญญาณหนเกิดเจ้มโนวิญญาจ้าววิญญาณดับเกิดความเดืออันนี้อัน วันมโนวิญญาณแอะๆติดตัวเองอาศัยปัญญายิงยานี่อีกอันหนึ่งคิดยึกสิ่งที่เป็นอดีตกอนาคตส่วนสิ่งกกปัจจุบนันส่วนที่เกิดกับปัญญากิงยานั้ น, นเป็นปัจจุบนันอย่างเดียวไม่ป็นอดีตไม่ใช่อนาคตส่วนที่ลำหายมโนวิญญาณเกิดเองเนะั่นแหะเป็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันกับอนาคตแล้วยังมีมโนวิญ ย, ยาอีกอย่างหนึ่งคือเกิดในขณะที่งวงเงียวยึดกันในขณะที่อาการนนที่เราจะตลกลีเนี่ยไม่ใว่วาจันก็ไม่มีจันก็ยังยังมีมโนวิญญาณยังทำงานอยู่ แตเป็นมนโรวิญญาณที่อยู่ในระห ว, ว่างด้วยว่าวิสัญญีแล้วในขณะที่เราเข้ากรรมฐานตาหูเราติดหมดแล้วไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกเลยขณะนั้นมนโรวิญญาณก็ยังรู้สึกยันแจ้งมึกนึกแต่หนึ่งว่าเราไม่ได้ทกำกรรมฐานอยู่อารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาเราก็รู้เสียงในตาที่ผ่านเข้ามาเราก็ได้ยินแต่ว่าถสีงนั้นไมจะด้ได้ยินทางหูหรือว่าเห็นทางตาไม่ได้ ตรงนี่คือว่าลูกเห็นจากภายในก็แท้อันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของมโนวิญญาณที่ทําหน้าที่เป็นเอกเทศทล้วนโดยไม่อาสัยพัจับญาณเนี่ยอีกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ประวัความเป็นมาพฤติกรรมของใจเรื่องนี้เราก็พอมีแนวทางในการปฏิบัติธรรมที่จะให้รู้จักตัวเองโดยการควบคุมจิตของเราหากว่าเราไม่รู้แนวทางอย่างนี้เราจิตคืออะไรเราไม่ทราบแล้วเราก็เหมจะควบคุมมันอย่างไรนี่ก็แปลว่าเมื่อเรารู้แนวทางเนี้แล้วเราก็เลยวางแผนการที่จะควบคุมจิตเพื่อให้อยู่ในอนานาจในการปฏิบัติ แต่อเราลุยในางเช่นน้ล้เราก็เลยวางของตลางในจะควบคุมจิตเพื่อให้อยู่ในอำนาจในายยทางปฏิบัติธรรมได้ต่อไปอะไรเป็นเหตุให้เราลุยผัดวิสัยข้งอกอะไรจึงเหตุกระตุ้นให้เร า, ข า, ร เ, าเข้าถึงมีสัยเช่นนั้นในพุทธศาสนามีอยู่ในกายในเรื่องในกายเป็นได้สอนให้เป็นปัญหาเช่นว่าปัญหาถามบอกว่าผู้ที่สวดมวนต์ภาวนาเนี่ยเป็นใคร ผู้ที่มันเาสร้างปันหาให้คิดเจรนาะว่าใครที่เป็นคนทำหน้าที่สวดมนตภาวานายอยู่คนนั้นเป็นใครผู้ที่จะรู้ว่าเป็นใครรู้อารมณายนอกแล้วก็ตอบได้วัดคิตนี่แหละทำหน้าที่เป็นเป็นผู้รู้ร่องสิงที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์อันนี้า้ามาอยู่แล้วว่าธรรมชาติจิตเนี่ยนะเกิดตับเป็นขนาขนาดก็มจิตเกิดั้เป็นขนาดขนาแล้วจิตจะรู้ในะอารมณ์ได้อย่างไรเพราะทหน้ า, าที่เจริรู้มันกระดับไปแล้วเพราะฉะนั้นอะไรหล่ะที่ทำไม่ จิตทั้งๆที่มันเกิดดับเป็นขนาดเนี่ยมันทำมาทีรู้มาลงได้อันนี้เป็นปัญหาของการเป็นกายทางวิทยานวาตเขาจะเขาเขาเข่งครันอ่าธรรมอายยันเขาสอนบอกว่ามีแม่จิตจะเกิดดับเป็นขนาดแต่จิตก็มีเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ตัวมาเมื่อหนึ่งยืนงเป็นยื่นถางสาหรับเก็บพวกไมเล็ดนืต่างๆมล็ดืดอะไต่างจนไม่เล็เข้าตัวเข้าารเข้าเจ้าอะไรต่างๆต่างเมื่อจิเกี่ยวได้ อานาะย่อมมาเจบรักษาว่าในยิ่งฉางอันเดียวกันฉันใดอารมณ์ต่างๆที่เวลาหมดมีพฤติกรรมประทับอยู่ในใต้จิตใต้นิจดวงนี้ก็ประมาทฉันนั้นรอตารเวลาโอกาสโดยปะจจัยมากระตุ้นเจ้ามรุกจิตเก็บไว้ก็มีพฤติกา ร, รออกมาภายนอกทําหน้าที่เป็นผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นผู้รู้อารมณ์ก็คือจิตเพได้กล่ามาแล้วว่าจิตเป็นธรรมชาติสั่งสมอารมณ์นในครันเท่าฉันใดสิงที่มันสั่งสมเรียกป็นว่า เป็นพืชวิถีชักพิชพิชตกรรมเองนะเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่านานาคันิจักนานิที่เป็นนานาคันิจักพิชักมีนานาคันิจกรรมฝังถมอยู่ในพิชักเป็นพืชเกลือกไวกันเลืกวกนหรืการอะไรที่คนไอ้พืชเหล่านี้ก็ออกมาทาหน้าที่เป็นพลังงานออกมาเป็นผู้ที่ร่วอารมณ์เป็นอกอารมณ์ใสอารมณ์เกิดจากพิชักพวกนี้ม้วนเวียนกันอยู่เลยทุกทุกคนเราอะมีท้้งพิพักที่เป็นป่าป๋าสว่างเยอะ ฝ่ายที่เป็นอนาสวะน้อยคือมีที่ชาทั้่ายบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุสสทธิ์ทั้งฝ่ายกุศลกับกุศลเต็มท้งหมดมเนการของพระอริยบุคคลอ่ะมีแต่ที่ชาดฝ่ายกุศลหรือที่ชัฝ่ายอนาสวสฝ่ายปราศรัตว์ไท่านบอกว่าเวลาล่วผู้ห่อารมณ์ะเป็นอย่างไรแลวสิ่งที่ให้ที่รู้รู้น่ะคืออะไรเราก็เราก็คจะตอบกันได้ว่าไม่ต่างจกอธิษฐาภาย น, น, นอนกอาายนอ ก, กเป็นสิ่งเป็นสิ่งซึ่งเป็นสภาพให้กูรู้รู้นี่ก็คือาเข้าใจทั่วไปไปตามความเข้าใจของท่านที่ได เรียนทางปาสนามาก่านจะเห็นว ah. ่าป่าปัญญานี่ยังไม่เคยถูกต um, ้องนะท่านเห็นแ้่อย่างท่านเห็นว่าอาโลนเอาเน่ต่างๆขึ้นบินฟ้าอากาศึ้งม้ตึ้งตึ้งรึ้นมากลาไม้มหาสมุทรภูเขามีใยสตรต่างภายนอกเนี่ยลวนแต่เป็นพฤติกรรมขอมาจากใจทั้งหมดทามีใจร่างสิ่งเหล่านี้มีหมดเพราะฉะนั้นตามข้อเข้าใจัวกมันดีว่าภูเขาเขาอยู่ข้างนอกจากใจไม่น่าจะนอกจากใจบ้านช่องเลือนโรยเป็นของภายอนตัวนและคน่เป็นของภายในตัว มาติดกันท่านนะท่านบอกาอพวกนี้นะเอามาจากใจของเราไปเดินลงภูเขาขํามนาวไพเแี่น้ำป่าหญ้าอะไรต่างๆหมดนี่ท่นเหอย่างนั้นท่าเปรียบว่าเมื่อไงก็ห้องๆเราเนี่ยห้องประชุมที่นี่ถ้าหากว่าแบบไฟเสียเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นโต๊ะอะไรเป็นโต๊ะีอะไรเป็นวัตถุต่างๆเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดฟ้ากวางเกิดขึ้นความรู้กึกเกิดว่าอนีโต๊อันนี้โกีอาการที่รู้เนี่เป็นวิญรอเล่าใช่เพราว่าันเป็นวญญน เพราะฉะันตามความเห็นท่านทีบอกไอ้วิญญาณนี่แหลเป็นตัวสร้างต็อีโปตกต่างขึ้นมาถ้ามีเจ้าวิญญาณเข้าไปูแแล้วตัวโปก็อีกี่ไหนจะมีความหมายสหรับราในขณะที่เายู่ให้องมีดิอยู่ทำไมาไม่ตรวจตามตามตามได้ไหมหรือว่าม่นเป็นตัวอีมันก็อีละาะว่าทตามลกตรวีที่ามารงก่อว่าออนั่นพัวนี้ก็อีเพราะฉะนั้นจากในยะนี่ท่านที่เห็นว่ามีสายไฟนอกนี่ก็มาจากภายในมมีภายในเป็นตัววิญญาณเป็นประัการแล้วมีภายไฟนอกก็มีความหมาย โอปป้กก็กาดกาไปบอกว่าน no ื่อจากทางที่ต so, ัให้าไปทามื there, right? ่อ่ะบอกเว่าอารมณ์ายนอกน่ะหรว่าแต่จะมีความหมายสาหรับเราก็เื่องจากปีนญนธาตุเราเข้าไปรับรู้เข้าไปรับ้าไปนาเข้าไปรับรู้แล้วอารมณ์ไหนๆมันมีความหมายเลยแต่ว่าอะไรจะเป็นอะไรหาจวามหมที่เชลยทีเดียวที่มีความหมายเกิดจากภาอารมณ์ความรู้กาไปรับรู้รับรู้ในบรรดาิ่งอันนันว่าอันเดียวอะไรมันเป็นอะไรสุดทุกจะเกิดเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนก เราก็ต้องรู้เขา่าเู้เท่าว่าอารมณ์พวกนี้เกิดจากภายในของเราเราต้องไปยึดถือจับถือมันจะตึงแต่อันนี้แหละถ้าอริยะบุติชนมีข้อแตกต่างกันเพราะอันนี้ถ้าอริยะ้ารู้ว่าสิ่งต่างๆเราเ น, นี้เริ่มจะเป็นมายาหมดก็จะเข้มขจรงิงเกิดจากภายในที่ต้นสติรับรู้ของมนุษยเองทำรู้เข้าไปลัรู้แล้วสิ่ง น, นี้ก็หมดความหมายสำหรับท่านเ็นท่านเห็นเท่าท่านเลยเห็นสิ่งทังงง้งตัวเป็นมายาผิดกับุติชนเห็นว่าสิ่งตัวมีกัต่าเป็นขอายนอกที่อยู่จริงจริึงเข้าไปยึดถือจับ พอเรารู้ัวเราเองว่าเป็นอย่างไรหรืออารมณ์ภายนาว่าเป็นอย่างไรคำว่ารู้จิตรู้ตัวเองอย่างนี้แล้วเราจึงมีหนทางที่จะปฏิบัติลุกข้นจากภาวะสติชนไปสู่ภูมิอริยะได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดในศิฏฐาสนาพระพุทธองค์ก็มีจุดประสองค์อันหนึ่งคือว่าให้เรารู้จักตัวเองเมื่อเรารู้ จ, ก จ, ามมาจักจตัวเราเองแล้วเราจึงสามารถที่จะกำจัดกิเลสในพาแนวตัวเอกกาลแล้วก็บรรลุในสิ่งที่ภูมิธรรมชั้นสูงที่เราปรารถนากันในระหว่างชาวพุธกันไ ด, ด้สาเร็จเต็ ท่านบอกว่าวันนี้ก็กล่าวอย่างเป็นกันเองก็จบปรงเยียงเพียงเท่านี้ข่าะว่ามีอะไรบุกคล้องในข้อธรรมกัะาบ้างต้หวังว่าท่านประธานซึ่งอยู่ณที่นี้แล้วก็บรรดาท่านเพื่อนเาธรรมิกและท่านพุทธศาสนิกชงจะให้อภัยท่านข่าว่ามีอะไรบุกคล้องติดภาพใหม่แต่วันนี้ข่าวว่าท่านผู้มีข้อข้องใจในรปัญหาบางสิ่งบางประการจะนาขึ้นมาพิทนากันให้ก็ยินดีคือตนี้ท่านพธาสนถามว่าใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ดในโลก เปปัญหาได้มาข้อเลยอ่ขคนตเขาก็โูีิงที่จะไปโลกก่อนอาท่านท่านคุณฟอท่านงามว่าใน้นิทางอิธรรมนี่ยทางทางอรหายนอริยธรรมโดยที่ตะโกตเต็มไปข้อสนธาทางอรหายนอริยธรรมโดยที่ตะโกตเต็มไปเอ่อ่านคงตาระบองนี้นะตบพระเจ้าพิเดจีนะพุทธศาสนาเราี่ทธกิจมีก็รักรองพระเจิเดจีกันทางนั้นมีพระวินัยพระกตษาริธรรมถ้าวินัยน่ะเป็นข้อบัั้ายท่เป็นกฎหมาย็สะสม ส่วนสูตรเนีหนักส่วนมากเป็นพุทธคดบางส่วนเป็นพุพธคดถ้าสูดนะมีภาติคของเทวดาก็มีคาติคของฤาสีก็มีคาสิคของผู้อื่นก็มีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุมูลนิธิรับรองแต่ใช่ได้ข้อทั้งสิทธิศากนั้นถูกต้องถูกต้องกับคำนองคลองคำถ้าพระองค์ก็ทงรับรองเป็นภาติคขงตาุก็มีของฤาีก็มีของเทวดาก็มีมากมายในพระสูตรแต่พระพุทธเารับกัว่าก็เอาขึ้นสูงสังขารนาจัดอยในหมวดสตันตปิกมีอยู่ คำวาอภิธรรมนั้นเป็นธรรมที่พระาวกขยายกว่าที่จะพูดออกมาคือว่าทพระเจ้ากระทำการบางบางข้อบางหมวดเป็นกระดงหรือสังเขปพสาที่ใหญ่เปงเป็นท่านอักขระมหาสาวกที่เป็นทาเันตระมือคนเนี่ยท่านเห็นว่าท่านเห็นว่าสังเขคุณท่านหลังจะเข้าถึงเลยยากก็ท่านก็ขยายกว่าที่จะพูดออกมาความที่สาวกขยายกานี้นะครับเป็นอภิธรรมแต่คือคามูนี้ถามต่อไปนะครับเป็นปัญหาข้อที่องวท้ายจริงในปัจจุบันทั้งในอดีตกับปัจจุบันน่ะที่ขึ้นเดเป็นภาเันมีบ้างไหม ถามท่านอย่าง้นถ้าท่านองพระบทตอบอกว่าความจริงอาลัยนั้นถ้าผู้ิงบรรลุอาลัยจริงท่านก็ไม่คุยอวดทุนท่านจะเปนอาลัยแล้วก็ิเราก็ไม่ถามอาจจะรว่ท่านเป็นหรือไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นชาวพิโไปเป็นอย่างนี้ต่เป็นพระอริยะแล้วมันมีการแนะนตัวฉันเป็นอริยะแล้ว่นี้มถ้าใครไปแนะนำโณาตัวเป็นพระอริยะจนมันจะไม่เปรอริยะถ้าเหตุนั้นเรจเข้าใจยากก็จะมีวิธีแต่ข้อที่จริงมีอยู่ว่าตราบใดยังมีธรรมะที่เป็นใยังประกาศแยู่ มีผู้ปฏิบัติความมอยู่ทั้งก็เชื่อมันว่าทั้งใ น, นอดีตปัจจุบนนันมีผู้บรรลุอร น, น์ล้วเหมือนกันยนนนกตัวอย่างในอดีตพฤติกรรมสัตว์ของพระบุรพาจ a n ในประวัติที่ท่านมีถึงงานทางสติีัญญาอย่างเดียวออกมาก็เป็นเครื่องที่จะพอให้เิ็ฐานได้ว่าท่านคจะได้เข้าถึงมรรคเข้าถึงถึงกันมัะอุปัชครับนนในประวัตเคยนทุกเป็นทึกขีว่าประวัติของพระบูรพ a ย์ n นองค์นั้นองค์นี้ได้บรรลุธรรมคันนั้นค น, นี้มีมีเปทำำนทกข์เหกันคุณา เพราะว่านาก็ระเกิดขึ้นแล้วเลยได้ไหมอ๋ออังคาองาผบอบว่าเนไปได้ครับเพราะเวลานี้ท่านเชื่อ ว, ว่ายังมีหนอ น, นีิ้วพทาูตูที่มีพประตูสรางบาราีอยู่ในพิภูตูต่างๆอีกมากบารานีทุกเราภาวนาอ้อนว อ, อนขอร้ อ, อ, อ, อ, อ, อ, องขอทำลงมาโปรดมาช่วยถ้าหาว่าเ้็นทาต้อมาได้ดปือตมาวหนึ่งมีมหาเจดีที่ท่านอุทิศและทำน้ที่ไดที่เกิดทุกข์แต่าตายากเ ส, สียงร้อนขอความช่วยเหลือปรพทับท่านจะยินดีที่จะแจกจ่ายทัพถิเงินทองบริจาคมาช่วยเรา เหมือนกันเหมือนกับบรรดาผู้ที่เป็นโู้ที่ตักเหมือนกันมีมากเอพอเจ้าผูครูคณะมีปัญญาไม่เหมือนพระองค์ใช่ฮะท่านบอกว่าอย่าว่าแต่พระบิดาทั้งพระพองค์เลยยี่ล้างลูกนี้เนี่ยรู่ชาติตลาดกพ่อมีเยอะทีเป็นกั่นันมีเยอะทีเดียจะไปเียนไม่ได้เราจะต้องรู้กั่อหราปัญญาสมอกันถ้าหาว่าพะเจ้าผครูคณะมีปัญญาสูงกว่าพระองค์แล้วพระครูคณะนี่หละเป็นเจ้าเอกเม่อตอนี้ก็กระทมามตอเป็ผู้เจ้านยว่าผ้จิตญากเวลาไราึกใหม่ใว่า งเรื่องเินใลป้ายหลาเราไม่จะเแตู่้เดียวเพรานั้นจึงไี่มี้ใดมีแค่ตั้ยาวเป็เสมอปก็โอ่ได้คุณถามกระดูคนคือว่าวี้ท่านท่านทนอีกท่านนึงถามบอกว่าจริงๆพี่เีจะไอไม่เจอเยนะคืออะไรเมื่อเจอเจอเวลาเข้าทรงเนี่ยไปี้ที่วดุาท่านนี้นก็ดูคร้ายๆฟันอยู่ในมันคล้า่ๆหอทัชลีมเป็นแดงจึอมาก่ดเลเดี๋ยว่าฝ่ายท่าด้วยขกระดูกฝ่าพท่าขุจะเกีบผีฟัอยู่จริงๆทํามถึงเป็นอย่างนั้นท่านตอบบอกว่าจึงซื้อเราจะว่าไป เพ า, กกออ า, าว่าเรื่อ่าน้ก็เกิดจากกมต้องมีวินิจฉัยวินิจฉัยวัะนรรมสร้างมาที่จะเป็นสวยปกติอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เรื่องเข้าตรงมาดูกระดูกผีตาตามผีแผันดีเนี่ยไม่ใช่ทางที่ถูกตรงที่ท้าที่เจะสนใจถ้่ท้าที่จะเชื่อกรรมเชื่อขรรค์ไกลไม่จะเชื่อเชื่อเวดาผีส า, ทางทางังหลายทั้งวาทังอย่างนั้นฮะแล้วท่านบอกว่าที่เขา้าได้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่อาาับปางาอะไรก็ยังรอดีอ่ะก็ยังฆ่ากันใปเอาาหลักพยากรณ์การพยากรณ์กับปุ๋บ้างผิดบ้างยากไป ถ้าเขาเาไปวาดถุงเข้า้อยลมรู้แล้วมันมีอภิิหารเขาฉะนั้นในฐานะที่เป็นทาสทุกข์ที่แท้เราก็ควรจะมีสิ่งเหล่านี้ไปเสียไม่จะทางเกินที่จะไปสู่ทางพ้นทุกขหรอกท่านว่าอาตุลตอบอกอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากที่ศาสาได้แบ่งแยกไปตามตัมิเศเพสก็ต้องให้จับตัวเองให้เข้าันาด้จากตัวมิเะเทศนั้นทีงจะอยู่ได้อย่างจะให้ชาตินกับไทยมาอกันเตียยทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันินป้าอากาศทีมันเสอในนมือก็เปนหนึ่งแต่ตต่างกัน แต่การปฏิบัติก็มีในส่วนใหญ่ขึ้นว่าลงปฏิโม่เอะคำวัดตรวจเงิอเออยางนี้เหมือนกันแต่ภาษาที่ตัวที่ตีคำ ท, ที่ทำเท่านั้นที่แตกต่างการขึ้นใสแ ต, แ ต, แต่ตัวก็แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของผู้อาสาเนาะที่นี้ก็มีมีท่านผ้ถามถามมาท่างหนึ่งบอกว่ า, ามีผู้กล่าวว่าการปฏิบัติธรรมะคือบัลลีฌานไม่มีผู้สเร็จได้ในสมัยนี้ฉะนั้นเราจะปฏิบัติสมรมะคือประโยชน์อะไรตอบว่าภาาตอนนี้ไ่จริงนะครับการเรียนธรรมะในนี้จะทาได้ แตา ว, ว่าอยู่ที่การอยู่ที่บัญหาที่ว่าค น, คนนั้นทำจริงแล้วก็ทำถึงที่ถูกในวิธีกรอันนั้นหรือเปล่าอย่าล่าประเดี๋นี้เลยในขัรรก้การณษษาจะมีพระองคปนชนอยู่ถ้าหาว่าปฏิบัติไม่ปฏิบัติจริงไม่ทำจริงทาไม่ถูกวิธีจริงถึงแม้จะมีผู้ดูจ่ายอยู่ช่วยเขาต่ อ, อไม่บรรลกชานได้เพราะฉะนั้นข้อสำคัญอยู่ที่ว่าทาจริงปฏิบัติจริง หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่ตามเวลาจากสมัยนั้นสมัยนี้ไม่จริงนะครับปัญหาตอนนี้ทำได้ถ้าคนนั้นทาจริงและปฏิบัติจริงตั้งใจจริงนะมีท่านหนึ่งถามบอว่าพระศีอานจะเป็นเดชมาจริงหรือไม่ท่านคือสาระขันที่จะกลับมาโปรดโลกมนุษย์ใหรือเปล่าถามอย่างนี้องค์กรปกต่อบอกว่าเรื่องพระศรีอานจะมาโปรดโลกมีกปราศจินและพสูตรตั้งหลายสูตรปฏิทินศึกษามาติเรื่องอื่เพราะว่าเวลานี้ศาสนาของพระพุทธของเราอง์นี้น่ะมีระยะการกําหนด เวลานี้อยู่สมัยที่ดีกว่ายังยุ่งเรืองอยู่แต่พอศาสนาจะ อ, อนตรักนไปถึงขั้นที่ดีกว่าลิงค์ขาอนตรักานคือประเทศของข้าไม่มีไมมีพระสงฆ์แล้วเป็นลิงคาอนุระกานแล้วศาสนาก็เสือ ก, ก็เกิดเปลี่ยนยกระดัเมื่อเกิดทุ้นจากทุกก์กยุบอีกแปแล้วพระพิอานพระพิรตรติมกระเด็ดตรงมาโปรด หมดโรกแล้วแตบรรดาที่จะรับการเปิดของพองคน่ะก็ไ <ร Stevens. S 1> ด้แต่บรรดาประชาวเนชาวุทธที่ยังตกค้างเหลืออยู่ตั็นแต่สมัยพระเจ้าของเราเอปัจจุบันเนี่ยยังตกใจไม่ถึงเมื่อจะมาถึ่ในสมัยของท่านแล้วที่ตั้จิตอธิษฐานย่าจะมาขอพระองค์ก็มีโอกาสมาชุมนุมกันในสมัยนี้แหละมารับการเปิดในสมัยเพราะศาสนาพุทธองค์ใหม่องค์นี้ทำไมพระพิธายะเกรเวลานี้ทูท่านจะอาหารทูลท่านตึงเทียนเอิตสนเอง ท่านจะเป็นะอรหันต์ต่อผู้่มาปริบัิในชมพูทวีปในโลกของเราเนี่ท่ึนจะเป็นพระอรหันต์ต่อหมาตัอผู้ติอ่าปัญหาข้อต่อไปท่านมีทั้งคนเดียวกันถามบอกว่ากิเลสคืออารมณ์เป็นอันเดียวกันหรือมม่และอิจะว่างจากกิเลสเป็นไปได้หรือไม่เช่นในขณะทาสมาธิท่านท่านตออย่างนี้นะบอกว่ากิเลสกับอารมณ์น่ยย่าล่าเป็นอันหนึ่งหรือไม่ไม่ใช่อันหนึ่งเลยเพาเป็นคนละปร<ล>ะเด็นกิเลสเป็นอารมณ์ไปไปยาบไปเชื่อไปไม่ดีคืออารมณ์มันทำกลางๆมีทั้งเซ็าดตัวเซ ท, ท่านกจะอภิตรีท่านก็จะบอกว่าจิตเลยอารมณ์อันดีอะไรกางเนี่ยเป็นาต้อม่ะเลาะอารมณ์อื่นอารมณ์อารมณ์มีต่งหลายอย่างมีทั้งดีทั้งเลวทั้งมดี่เลวนะแล้วเลยเป็นฝ่ายเลวฝ่ายเดียวอย่างนี้เป็นขั้นห่งก่อนท่านตอตรงนี้นะครับบอกว่าจิตว่างจิตว่างจากอารมณ์เนี่ยไม่ทเลยถือว่าเป็นจิตที่ระเจิดอจิตที่มีอารมณ์จิตว่างไม่ได้ถ้าจิตว่างจากอารมณ์ตัวจิต ที่เกษตเข้ากฏิทินปฏิทินอีธานแล้วนินาทานก็ม่ีความหมายมีค่าราคาข้างบนอะ ไ, ไว่างจากอารมณ์นั่เพียงแต่การปฏิบัติขั้นหนึ่งนั่นเองในเป็นการปฏิบัติทางสมาานภาวนาขนนั้ทนทะเลงแล้วก็พออกจครั้น น, นี้แต่และสถิตขั้นนี้วันนี้ว่างจากอารมณ์ละนนี้ยังไม่ว่างยัใช่ไหมไดาเพราะอาการที่ว่างจากอารมณ์นีมันคือเาจวางไอารมณ์แล้วนาะพอเรานนต้องมีงขั้นนี้เราต้มายึถือต้องไปโดยั้นนี้ต่อไปถึงข้นกลับอารมณ์อีกแต่อารมณ์ที่ได้ใหม่เนี่ย เป็นอารมที่มีแต <ine> ่ความเป็นมหากรุณาธรมในจาริกต่อสัตว์ทั้งหลายเผยแผะศาสนาและโปดัตว์ใเรื่กงจิตของปรเสิยไถ่ด่งท่านว่าข้อปฏิบัติในฝ่ายท่นนี้นี่ปฏิบัติิึงขันได้สเร็จแล้วจะต้องมีมหากรุณามาทำให้ด้วมหากรุณาถึงจะไถ่ไเพื่อจะมาโปรดักโลกท่านรับรงเพียงแต่ว่าไปติดตั้งในความสงบหรือความว่ายังไถ่ไม่ได้ต้องขึ้นจากความติดัความว้างนี้เดือยแล้วผ่านนํามีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกต่อไป นั่นละที่จะเป็นคุณบันก็ติทางอย่างแท้ในทางาพุทธศาสนาฝ่ายนี้มีทัานามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ้าวีใครหรือเปล่ารือ้าอนะถามบอกว่าพขาคิดในศาสนาพิาเภกเป็นเถราวาสมหา่าง น, น, นั้นคำสอนที่เป็นธรรมะที่แตกต่างคำาาานี้สำคัญในอะไรบ้างให้ท่านหาวงตาตอบนี่ครับบอกว่าคำสอนที่เป็นหลักสำคัญในมห า, า ญ, ญาณกับเถรวาส น, นะไม่มีอะไรต่างกันหรอกเพราะว่าทางฝ่ายเถรวาสเร า, า, าทางาพระบารมีเดชพรสาบาลีเป็นหลัก ทางา่ายมหาอำนาจก็จะไปโดดภาษาทยก็ติดเป็นหลักแล้วก็แปลไปเป็นภาษาจีนนะฮะแต่ทางฝายเนี่ยเป็นรัฐนากามสื่อเรื่องกันมาคือว่าพู้จการหน้าตายป็นรันารักษาคคำสอนและข้อปฏิบัติที่ใกล้คิดกับพระพู้จัดกามากใกล้เคียงกับเขาพิทจการมากเพราะเป็นสายที่ตรงและลักษาะของเก่าวายไม่เคยยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไข แตาทางสาธารณญาณน่ะพาายา ย, ยามปับตัวเองให้เหมาะ ก, กับตาะเวลาเวลาอ่านในประเทศไหนบ้านเมืองใดก็พยายามจะรับเอากนรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นในข่านหลังเข้ามาเพื่อทาให้สาการณสามารถเข้าใกมากให้เ ห, หมาะ ก, กับชายคนที่เท่าสิงนั้นๆเพราะฉะนั้นหา ย, ยังก็อาจจะอ่างใจอยจากจะเข้าปฏิบัติไปข้าพิทธาสนมากกว่าหรืว่าก็ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้น่นนะหลักของคาที่เป็นขัน้นรูปฐานน่ะจะมีการรักษาได้เท่า เพราะความคิดก็มีว่าถ้ามีแต่ะว่าและมหาอย่างเอยเพราะมหาอย่างเองนี้นรับมันจะเข้ยวดครับไม่ต้องมีพท่านเลยนะฮะถามแบบว่าขาเงเต็มดเต็เก็มเลเาไปเล่าคนตายัจรไหมแล้วพี่ทีทคนเต้นเขากลาดาเนี่ยมีมาใน่งจีนแต่ครางสมัยไหนใครเป็นต้นมายักษถามอนี้ท่านตอบพ่อได้ตอนะฮะบอกว่าพี่ทีเขากระดาษบ้านข้องแค่คนตายทำเนียนจีนนั้นเกิดจากความัพันธ์กับตะเทีซึเป็นคนในสมบัติของาติจีนในสมัยโบราณ เม like ื่อพ่อแม่ดามานตาตาไปแล้วตัวเองมีความสุดมีบ้านท้องใหญ่โตมีรถลาฉีก็นึกถึงว่าเอ๊ะข่อแม่เราก็ควรจะมีบ้านตัวกามเรกปันเดียเนี่ยคีอุตจาระหาเครื่องกดาษพระธรรมิตตะย์จะลูกล่าต่างๆแล้วเขาแต่ไงแต่นี้ปัญหาเม่อเขาไปเลิกให้ใจไปรับไหมมันอยู่ที่ผู้ตายมเขาจะคุดถึงท่านบอก่ามันได้ผลดีกับคุณเตยคือว่าคตยายใจ เเออทำมเรามีคามเป็นอยู่รเรงเป็นสุขระเทศเราในบ้านข้าวอยู่เที่อ้าดีๆมเนตังค์ค่ายเยอะๆแล้วเราอให้แล้วมันเป็นการเข้าสังามัยนั้คุณควรอยากตัวเองว่าจะทำความเปกับตัวเตามหน้าที่ของลูกที่มีความปนอยแล้วทางที่จะดหเงนทอเอาจุตระดูเนี่ยมาเป็นจุดสำคัญกนรักษาทุงิันนี้ไว้ในปัันท้านบอกว่าพี่ตีนี้เต็มเขึ้นในสมัยราชวงศ์เหลียงเป็เราเอสอ่าหนึ่ง หลไมะขจากนิพานแล้วประมาณหนึ่งันปีเกิดขึ้นในมือดีนในจักรพรรดิเลียงูตี้ซึ่งเป็นผู้คองวัดสมัติบ้างเมืองที่ละครนานจิงเดีนตาเป็นต้งดับต้นดับีต้นต้นก็ไม่จะอนไกลโดยจับตามกันยิอีกครับไต้ท่านผู้ระเมีอภิกรรคเข้าใจละมีเงินพระมาสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลจากการสรดมนต์อันเป็นภาวนามมยปุสสนั้นให้แก่ผู้ตาย้นามโมธนะสมมือนธรรนทางเทววัตรเราที่ว่ามีผู้วิวรรธน์ไปเล่ากันในเงินพระไปสวด วันนี้เห็นแต่ทองพอแล้วนะพอแล้วครับวันนี้ก็ท่านที่มีปัญหาเลี้มาถามตนตายแล้วขันห้าดับหมดใช่ไหม็นตายแล้วขันห้าดับหมดใช่ไห ม, ห ม, ไหมถ้าเช่นนั้นท่านที่ไปเกิดเอาอะไรไปเกิด เพวิญญาณก็รวมอยู่ในขันท่านอันี้เดยอดปัญหาข้อนี้ท่านยลืมสิครับว่าขันห้าก็เป็นสซนตติดนี่ครับติสพืนที่วิญญาณถูกแล้วเป็นวิญญาณในขันแต่เมื่อวิญญาณขันจะดับไปก่อนที่มันจะดับน่ะมันได้ส่งพลังงานไปในขณะที่สองให้เกิดวิญญาณเดวงใหม่เกิดขึ้นเป็นพลังงานทํานองพ่อส่งให้ลูกลูกส่งให้หลานเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ุกสืบต่อกันเพราะฉะนั้นดวงเก่าดับก็ดับไปสิแต่ตอนมันจะดับน่ะมันมันส่ง อ่าหุ้นของแรงงานไปไล่กระโดงใหม่ที่จะเกิดขึ้นไอ้ดวงใหม่เกิดขึ้นต่อสายดวงเก่าวเป็นปรัฐานเนี่ยคล้ายๆไฟเปล่งไฟเราจุดเทียนมาเล่มหนึ่งนะครับแล้วอีกคนหนึ่งเอาเทียนอีกเล่หนึ่มาต่อไปแต่เทียนเราไปเป็นที่เป็นไฟคนละเล่นแต่ไอ้ไฟเล่นใหม่ม้ก็มาจากไฟเล่มเก่าเป็นเชื่อทันใดวิ ญ, ญญาณขันดวงเก่าที่ดับไฟก็เป็นชื่อให้เกิดพิญญาณขันในพบใหม่เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เป็นเรื่ององต้นตินะครับข้อนี้ต้นติ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตลอดไปจนถึงวิญญาณก็เมื่อคนมีกิเลสตายไปแล้วเอาอะไรไปเกิดไอ้คาว่ามันมีตัวตนในที่นี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขุนเปล่านะไมันช่ไมีอะไรนะครับคําว่าไม่มีตัวตนในที่นี้นะพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำว่านัตติกาคํานัตติกาเป็นคําปฏิเสธเด็ดขาดว่างเนื้อสุนิยศาสาศ์เนี่ยไม่มีอะไรเว้ยเว้ยเวไม่ใช่อย่างนั้นอนัตตาหนักแปลแต่เพียงว่าไม่มีอัตตาที่เที่ยงแท้นั้นเอง อัตตามีอยู่แต่อ้ามีอยู่ของอัตตานีไม่ใช่อัตตาี่แท้จริงเข้าใจไหยครับไม่ใช่อัตตาติแท้จริงคล้ายๆฟองหน้าฟองหน้ามีไหมฟองหน้ามีอยู่แต่ว่าฟองนั้นนันมีอยู่แต่เดือดกระดับใช่ไหมไม่เที่ยงมีอยู่ยังไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจีงใทยก็มาอัตนาตามันไม่ใช่คำว่านักที่ตาไม่มันไม้ใช่คำนี้มันไม่ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเลยต่ตาวๆเลยอยู่งง่เป็นสุญญากาศไม่ใช่ ให้คำานัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาสภาวะทำอนันอตตาแปลว่ายืนหยัดคงที่เป็นหนึ่งแต่อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ยืนหยัดไม่คงที่และไม่เป็นหนึ่งแต่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ยังไม่คงที่มีอยู่อย่างไม่เที่ยงมีอยู่อย่างเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงน่ะเป็นภาวะมีอยู่มีอยู่นึ่เป็นอนัตตาต่างกันต่างกับนักตินะครับข้อนี้่ พระพุทธเจา้ามิให้เรา ย, ยินดีในรูปถึงโทษทพธรรมเหตุฉนัยจึงกรับให้ท่านในปรมัตมมีรูปเสียงโทษทพธทรธรมจะไม่ผิดกับคําว่ามิให้ยินดีในรูปเสียงเป็นต้นหรื อ, อข้อนี้ทา่านเข้าใจผิดครับ ข, ข้อนี้คือว่าในปรมาตมที่ตรัสถึงเรื่องรูปก็ปีนเสียงนะ่ะเป็นวิธีการแสดงธรรมที่จะให้เราเห็นโทษของรูปรปูปก็ปนเสียงเหมือนกับหมอหมอหรือวิชาแพทย์เนี่ย ต้องรูส้สมมติฐานทุกโลกต้องเจริญในชื่อโรกออกมาเหม่งนกันจะไปรู้ักษาได้ยัไงไอ้โลกนี่นะอ้อยพอกนนี่มะเร็งนั้นนี่ไอวานะหมอต้องเรียนรู้ชื่อโลคและการที่หมอเรียนรู้ชื่อโรกจะรู้ว่าหมอยินดีในโรกได้ยังไงละ่ะไม่ได้เรียนรู้ชื่อโรคแต่ก็เพื่อที่จะไปหาทางบรรบัดโรกชั้นใดที่ตรตรึงรู้ว่ากินเสียงพวกสภาก็ชันนั้นต้องเรียนรู้ไอ้สภาวะความทีิอันนี้เป็นทุกขตัดนี่ของพวกเนี้ทุกข์กรตัดต้องกาหนดรู้กาหนดรู้ทุก ลูกรถกินเสียงไม่ใช่สมุทัยนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่สมุทายศัพท์เป็นทุทธวัตรพุทธวัตรต้องกําหนดรู้เดินหมอเรียนรู้ชื่อโรคต่างๆเรียนรู้สภาวะของโรคต่างๆการที่หมอเรียนรู้สภาวะของโรคต่างๆไม่ได้หมายความว่าหมอยินดีในเรื่องเหล่านั้นตรงกันข้ามเลยคืออยาหาทางทําลายโลกมากกว่าสําหรับปัญหาในที่ผมบรรยายในวันนี้มีท่านผู้ใดสงสัยไหมขอให้ถามปัญหาในวันนี้ก่อนมีท่านผู้ใดสงสัยหรือเปล่า ที่กะทิทิที่มีความหมายว่าไม่มีนี้คําสอนในข้อนี้แสดงว่าเป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับใช่ปฏิเสธเหตุปัจจัยปฏิเสธบุญกรรมใช่เช่นข้งที่มีความเห็นว่าไม่เที่ยงข้งที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์ และก็ปฏิเสธเหตุอื่นๆ อ, อ, อีกถึงที่มีเหตุปัจจัยส่วนที่เป็นสังกัตรธรรมและอสังกตรธรรมก็ถือเอาว่าไม่มีใช่ไหมใช่ใช่ถูกแล้วไม่มีนิพานใน ม, มีบุญคุณวีดามานดาคุณธมรมะพรามเดินนักกิพิธีใช่ครอีกข้อหนึ่งท่านถามบอกว่าตอนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาปู่เมืองไทยคนไทยเรา น, นาับถือศาสนาอะไรมาก่อนและผู้ที่เข้ามาเผยแพร่นั้นเผยแพร่ด้วยวิธีไหนคนไทยเราจึงยอมรับนับถืออย่างไม่เสื่อมคลาย ่ข้อนี้น่ะคนไทยรับนับถือพุทธศาสนาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยเทีด็ดตามโอ้โหมากมานี่ครับพอแล้วแม่ปัญหาจะตอบไม่หมดนะครับอ่าคนไทยรันับถือศาสนาพุทธก่อนที่จะเข้ามาอยู่เมืองไทยคนไทยพ่อกษัตริย์ไทยพระ อ, องค์แรกที่นับถือพุทธศาสนานั้นคือกษัตริย์ของอาณาจักรไอ้ลา ว, ลวราวปศ607 ไอลาพอต่อชื่อขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเม้าก็สั่งทาอนาจากไอ้ราวแล้วลาพอต่อก็ค่อเสร็เวลานั้นไทยยังอยู่ในยุนานของจีนอยู่เพราะฉะนั้นคนชาติไทยจีนเป็นชนชาติที่นับถือพุทธศาสนามากว่าพันปีมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าไอ้ราวที่คุณหลวงเมาเมื่อมาอยู่เมืองไทยถ้าก่อนถ้าถามหรือก่ออนหน้าครับหน้า ควาจรงไอ้การถามัญหานี่นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ถามมาถามเองเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากดีกว่าที่เป็นปัญหาถามจะเป็นประโยชน์มากครับอ่าเป็นการในการอภิบายไปนในตัวเพราะวาเราจะเป็นนักเผยแผ่แต่อไปเราต้องกล้าไมาโครโฟนต้องหัดกล้าอธิบายโต่อเนี่ยถัดไปเป็นการฝึกไปในตัวเลยจะเป็นประโยชน์ก่อนหน้าคนท่านหนังสือพุทธถามวคุณในหนังสือศาสนาอะไรนังสือศาสนาผีปา ผีต่าผีเขาพระอเทวนิยมถามบอกว่าเมื่อคนไทยเมื่อคนตายใหม่ๆบุตรหลานไปกราบไหว้ศพและขอให้ดวงวิญญาณนั้นจงไปสู่สุคติหรือไปสู่ที่ชอบเช่นนี้ดวงวิญญาณของศพนั้นจะไปตามที่ขอได้หรือไม่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไอ้จก่ไปหรือไม่ไปไปที่กรรมของคนตายเองมันถึอยู่ที่ปากลมปากของลูกหลานจะไปบอกว่าแกไปที่ชอบที่ชอบเนี่ถ้าไอ้แกคนนั้นมันทาชั่วตกมันก็ตกโลกตกเปรตแต่อ่อนวอนไปปากหาให้ไปที่ชอบมันก็ไม่ไป ไม่ได้แน่ครับตอนนี้แล้วแต่กรรมข้าสัตว์ชีวิตมีไก่เป็ดหมูปลาเป็นต้นติดสินที่ว่าทำตานาปีบาศเมื่อเราไม่ฆ่าแล้วทําอย่างไรเราจริงจะได้ละได้สัตเหล่านั้นมาเป็นอาหารเราล่าเราก็ไม่ต้องกินดูสิกินเจมังสวิรัติอย่างพวกขแขกกินดูกินแต่ถัวกินแต่น้ํามันถัวกินกินแต่นมเขาก็ลําสารอื่นท้องคุยทุกคนนี่นึกแต่ดูแขกใส่ท้องคุยแล้วน่ะ ขุยแผกยิ่งท้องฟุยอุ่นอ้่นอนไม่เชื่อไปดูแผวไทยรัฐสะพานหันซ้ำเพงเลยแขก็จะอ้วน้นนแขกหอมหาทำยายากแขลหของมีิกา็มีในอินเดียเวลานี้กำลังอดอยากกันอยู่นะเห็นตอนนี้ทิงจะมีแขลขอมหรอกเพราะปกติน่ะแขกินถั่วกินถั่วนี่แม้มีโปรตีนสูงกินนมกินเนยโปรตีนสูงแคนั้นแหละเลยลงทุงอ้วนเสียทรงเสียรูดใหญ่เพราะนั้นอยากตัวเลยถ้าาว่าเลยข้าวขับะกูจะไม่มีอาหารกินนี่อาหารผักนี่แหละดีที่สุดอย่ากนนะตอนนี้ เออเดี๋ยวขอขัดจังหวะอาจารย์สักหน่อยคือปัญหาเนี่ยอาตามาสงสัยมานานเนี่ยคือในฐานะที่อาตามาจะต้องออกไปทำการเผยแพ่ศาสนาเนี่ยสมมุติว่าถ้าไปมีนักเผยแพ่ต่างศาสนาเขาถามขึ้นมาเดี๋ยวกับเรื่อง ความเชื่อถือในพระพุทธเจา้หาหรือว่าพระธรรมประสงค์นี่เขาบอกว่าจะมีหลักฐานอะไรที่ท่านเชื่อว่าพุทธเจ้าของท่านมีจริงเนี่ยอ๋อ้หลัหกฐานอะไรถามพุทธเจ้ามีจริงไหมครับเราก็เอียรย้อนถามเว่าแล้ ว, กกวแกมีหลักฐานอะไรที่พระเจ้าของแมีจริงพระเจ้าอุษาัองแกน่ะเชื่อว่าให้อภินิหารให้ดูต่อหน้าได้ไหมถ้าจร <rick> ิงพระเจ้าฮัวลงมาดูต่อหน้าได้ฉันจะเปลนต่อกระนให้เราถา ม, ามากขาแกมีหลักฐานอะไรเลยคือไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเราเขาไม่เขาไม่ให้เราถามแบบนั้น าถามชน<า>ิดทีเรียกว่าให้เราตอบว่าให้เราเป็นผูอบให้เราเป็นผู้ตอบเราตอบว่าที่เรารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะธรรมะเขาองค์กลากิดอยู่เช่นพระไตรปดฎกตอนนี้ตาหาว่าเขาจะถามต่อไปอีก ว, ว่าธรรมะนั้นนะคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าจะแต่งไม่ได้แต่งได้คนที่แต่งธรรมะชนิดนี้ได้คนนั้นคือพระพุทธเจ้าแล้วคือถ้าหาว่าคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าและแต่งธรรมะไม่ได้ใช่ไหมเราบอกว่าแต่งได้ไงครับแล้วคนที่แต่งธรรมะอย่างนี้คนนั้นคือพระพุทธเจ้า นอกจากพระโคตมะก็เป็นพุทธเจ้าอีกคนนึงขึ้นมาเป็นผู้แต่งดังนั้นเป็นผู้พระองค์ใหม่ดังนั้นก็หมายถึงว่ายังอาจารย์เถื่นเนี่ยอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อีกองค์อ๋อไม่ได้สิครับถ้าเที่จะแต่งธรรมะได้น่ะผมต้องลอกยังง่ายว่าอกน้าลายของพุทธเจ้าซึ่งตปนผู้แต่งองค์แรกน่ะมาเถียนี่ผมมีบรรดาที่เป็นแบบอัญเชิญขึ้นได้หรือมักแต่ขึ้นได้นี่ที่เรารู้อยญเชิมักต่สามารถแต่งบรรดาธรรมะได้เตยเตยน่ะจำน้าลายจะมาีดนักเล่าแต่นะครับ หอขาว่ามันมาต่หากเ่าเขาบอกว่าคนคนนั้นเขบอกไปพุจิตรเจ้าคือพระโคตมะแต่เป็นคนขีน้เราบอถูกแล้วคนคนที่ตังเแหละคนนั้นแหละเราเรียกว่าพุทธะล่ะเพราพุทธะท่านั้นจะขี้อย่างนี้ได้จะเป็นโคตมะหรือไม่โคตมะก็แล้วแต่คนนั้นขีน่แต่งธรรมะอย่างนี้ได้คนนั้นคือพุทธะแต่หากว่าแต่ศากนั้นีเป็นศพุทธะคือธรรมะทั้งหมดนี่เป็นเป็นธรรมะผิเป็นของพระพเจ้าทั้งหมด ใช่ครับสำหรับผู้ที่นำมาเผยแพร่ในเพียงแต่ขยายพิสดานออกไปนี่ไม่ตีอัพุทธเจ้าเหมือนกันใช่ครับเราไม่ดเราไม่มีปัญญาคนข้างหลังเนี่ยไม่เห็นมีใครปัญญาขียนเรื่องอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทหรืออภิธรรมออกมาได้เลยจำที่ป่าพุทธเจ้ามาทั้งนั้นแหละเขาจะว่าไปแล้วเอามาจำมาขยายเท่านั้นแหละใช่ฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้เปนกำนดธรรมะเนี่ยเป็นใครล่ะเราย้อนถามว่าเป็นใครเขาบอกก็คนที่ไม่จช่โคตมะเราเอาเธอจะเป็นโคตมะน่ะพุทเราถือว่าเป็นเพียงคุณสบัติไม่สำคัญหรอก แต่คนที่สา ม, มารถเขีนธรรมะอย่างนี้เนี่ยคนนั้นแหละพวกเราถือว่าคนนั้นแหะคือพุท ธ, ธะและขนันยลีจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นปฏิเสธก็าามาเลพราะโคตมากต่ขั้งเถอะแต่ฉันว่าใครเขาีธรรมะอย่างนี้ได้คนคนนั้นคือพุท ธ, ธะที่ฉันเคารพกล่าบไา้ก็แล้วกันกล่าว<ร>ความเพียงเท่านี้เองครั บ, รบว่าผูู้ที่เอาธรรมะนี่เป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ามีจริงครับถือนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะแต่งธรรมะได้เจ็ดตันติเลือกมีอยู่ครับมีอยู่ห้องนี่ตันติทาโบราณคดีศิลาจารึกุดขึ้นมาเออ พระโมทัยมิมกระทาที่ขุดขึ้นมาจากโคตศักยะวังฟังเอาไว้ที่เมืองกันบีระพัดเวลานี้อยู่ที่ผูเขาทองวันอังคารพอดดเละครับ